สังคาทิเศษสิกขาบทที่สอง8ถามพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาทิเศษแก่ภิกษุณีที่บวชให้สตรีผู้เป็นโจรณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปรารบภิกษุณีทุลลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุละนันธาบวชให้สตรีผู้เป็นโจรในสังฆาธิเศษสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานคือหนึ่ง เกิดทางวาจากับจิตมิใช่เกิดทางกายสองเกิดทางกายวาจากับจิต